ขอนอบน้อมแ ด, ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังคหาอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีรังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ิกนกะวินิชยากถาคาถาวินิชัยว่าด้วยเรื่องกิกนณกกะต่อภิกษุ ไม่ควรถือเอาหนังชนิดใดชนิดหนึ่งมีหนังราชสีเป็นต้นใช้ใสในมัชิมะประเทศเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิกูจทั้งหลายพิสูไม่พึงใช้หนังผืนใหญ่คือหนังราชสีหนังเสือโครงหนังเสือเหลืองรูปใดใช้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิสูจไม่พึงใช้หนังโครูปใดใช้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ดูก่อนพิสูดทั้งหลายหนังอะไรอะไรพิสูจไม่พึงใช้รูปใดใช้ต้องอบัตทุกกฎ ด, ดังนี้ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทาการห้ามในการบริหารหนังราชสีเป็นต้นเท่านั้นแต่พิกษจจะใช้หนังชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นผ้าปูพื้นที่ไม่ให้ย้ายไปในที่อื่นย่อมควรอันนี้ในมัชิมะประเทศเขตอินเดียที่เป็นมัชิมชนบทห้ามใช้หนังทุกชนิดเลย ในการที่จะใช้เป็นอาสนะใช้เคลื่อนย้ายต่างๆจะบริหารหนังทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าถ้าใช้ปูพื้นโดยที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนี่ใช้ได้ในมัชชิมะชนบทแต่ในปัจจันตชนบทที่ตุจะปูหนังแพะหนังแกะหนังอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนอนหรือนั่งก็ควรอันนี้กต็ต่างๆกันนะนี่บัญญัติเฉพาะประเทศ เพมีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายในปัจจันตชนบทเราอนุญาตเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะหนังมรึกมรึกก็หมายถึงเนื้อเนื้อทุกชนิดเนื้อกวางเนื้อเก้งอะไรต่างๆดังนี้ในหนังมรึกมีเนื้อความดังต่อไปนี้หนังแห่งมรึกชาติเหล่านี้คือเนื้อตายเนื้อสมันเนื้อเก้งกวางเนื้อถึกเนื้อลำมั่งนี่หมายถึงมรึกส่วนหนังแห่งสัตว์เหล่าอื่นคือ พวกลิงข้างนางเห็นชมดสัตว์ร้ายเหล่าใดเหล่าหนึ่งหนังของสัตว์เหล่านั้นไม่ควรได้เฉพาะพวกหนังที่มีเนื้อเป็นกัปติยะพวกหนังแกะหนังแพะแล้วก็กวางเนื้อถึกละมั่งพวกลิงข้างนังเห็นชมดอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้สัตว์ร้ายทั้งหลายก็ไม่ได้หนังพวนี้ก็ไม่ควรใช้ ในสัตว์เหล่านั้นที่ชื่อว่าสัตว์ร้ายได้แก่ราชสีเสือโครง่งหมีเสือดาวแต่จะไม่ควรเฉพาะสัตว์เหล่านี้พวกเดียวเท่านั้นหาดีได้อันหนังของสัตว์านาวใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรเร้นกัตเหล่านั้นเสียสัตว์ทั้งหลายที่เหลือชั้นที่สุดแม้โคกระเบือกระต่ายแมวเป็นต้นรวมทั้งหมดถึงทราบว่าสัตว์ร้ายเหมือนกันในอัตถกถานี้ จริงอยู่หนังของสัตว์ทุกๆชนิดไม่ควรยกเว้นที่กล่าวไว้แล้วว่าเป็นพวกหนังแกะแพะมารึกมรึกก็ได้แก่พวกเนื้อซายสมันเก้งกวางเนื้อถึกเนื้อละมั่งแล้วก็พวกโค ก, กระบือกระต่ายแมวผู้นี้ได้แต่พวกลิงข้าหนังเห็นชมดสัตว์ร้ายต่างๆนั้นไม่ได้นะพิสูจไม่เป็น่ายไม่พึงไปด้วยยานเพราะมีพระบาลีว่าดูการพิสูจทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปด้วยยานรูปใดไปรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎนูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานแก่ภิกษุผู้เป็นไข้ดังนี้ถามว่ายานเช่นไรควรยานเช่นไรไม่ควรถึงผู้ที่เป็นไข้ควรไปด้วยยานเช่นไรยานที่เทียมด้วยโคขูพตัวหนึ่งยานที่เทียมด้วยโคขูพจะเป็นตัวหนึ่งสองตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นตัวผู้ ถ้าตเมียนี่ห้ามไปนั่งยานที่ใช้มือลากใช้มือลากคานหามและเปรผ้าย่อมควรขรามีพระบารีว่าดูกานพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตยานที่เทียมด้วยโคผู้ยานที่ใช้มือลากดูกานพิสูจทั้งหลายเราอนุญาตคานหามเปรผ้าดังนี้สำหรับในเรื่องยานนี้ยานที่เทียมด้วยโคตัวผู้ จะเป็นสตรีเป็นสารถีหรือมีบุรุษเป็นสารถีก็ตามย่อมควรแต่ยานที่เทียมด้วยแม่โคนมไม่ควรส่วนยานที่ลากไปได้วยมือสตรีหรือบุรุษลากก็ตามควรเหมือนกันยานที่ลากไปได้วยมือสตรีลากหรือว่าบุรุษลากก็ตามก็ควรก็ไปได้แต่ว่ายกเว้นโคโตัวเมีย อันนี้กล่าวถึงสำหรับผู้ที่เป็นไข้ผู้เป็นไข้ควรไปด้วยยานเหล่านี้แต่ว่าผู้ที่ไม่เป็นไข้นี้ไม่พึงไปด้วยยานและยานที่ควรไปเหล่านี้ก็คือยานที่เทียนด้วยโคตผู้ใช้มือลากคานหามเปรผ้าแล้วก็ยานที่ลากไปด้วยมือเป็นสตรี่ากก็ตามบุรุษก็ตามจะสังเกตเห็นได้ว่าอันนี้หมายถึงว่า ที่สูบป่วยถึงจะไปด้วยยาเหล่านี้ได้เพราะว่ายาเหล่านี้นี่ใช้สัตมีชีวิตเป็นผู้ที่นำไปทั้งนั้นเลยจะเป็นโคจะเป็นคานหามก็ต้องใช้คนหามเปรก็ต้องใช้คนแล้วก็มือลากก็ต้องใช้คนลากสตรีลากก็ตามบุตรลากก็ตามต้องใช้คนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่เป็นไข้ไม่ปึงไปด้วยยา บางท่านก็เลยบอกว่ารถจนนี้ก็ไปไม่ได้บางท่านก็ใช้เดินแต่เดินไปก็เดินไม่ได้ตลอดตลอดสั่นหรอกเดินไปเดินไปก็ค่อยๆทิ้งบาทิ้งบริขารต่างๆที่หลังก็ในเหลือแต่ตัวเปล่าเพราะว่าเดินไปไม่ถึงที่อยุคนี้ก็เหมือนยุคก่อนมีทางถนนเดินไปตามถนนแบบก็ร้อนสมัยก่อนก็เดินป่าใส่ ไ, ได้แล้วก็มีเ ท, ที่ยวสุไปด้วยกันต้อรู้ว่าถ้าเกิดเป็นยานที่เป็นเครื่องยน ไม่มีสัตว์ผู้ที่นําไปก็ไม่ได้เป็นการเบียดเบียนเพราะฉะนั้นควรจะถ่งเคราะห์นั่งได้ที่สุภัยเรือก็ได้เพราะว่าไม่มีคนรักที่สุภัยเรือไปในเรือจำเป็นสั่นเรือไปถึงเครื่องบินอะไรถึงการเหล่ า, านี้เราไปได้เงินค่ายหมายถึงว่าไม่เป็มค่ายไม่พึงนั่งยานเนี่ยหมายถึงว่ายานที่เทียมด้วยสัตว์ทั้งหลาย ต่อไปเพราะมีพระบารีว่าดูการทิฏฐทั้งหลายเราอนุญาตผ้าสังคาติสองชั้นผ้าอุตราสงชั้นเดียวผ้าอันตรวาศกชั้นเดียวแห่งผ้าใหม่แห่งผ้าที่ซักเพียงครั้งเดียวผ้าสังฆติสี่ชั้นผ้าอุตราสงสองชั้นผ้าอันตรวาศกสองชั้นแห่งผ้าที่เก็บไว้ค้างรดูก็เป็นผ้าเก่านั่นแหละ พึงทําความอุสาหะในผ้าบางสกุลจนพอต้องการถ้าเป็นผ้าบางสกุลนี่ก็แห้ะแต่จะเก็บมาตัวตั้งพอแก่ตามต้องการแต่ว่าไม่ใช่เป็นความมากๆเกินไปหรือทําความอุตสาหะในผ้าที่ตกตามร้านตลาดทางนี้ก็ไปบางสกุลเอาตามที่ต่างๆซิกตกพึงทําผ้าสังคติสองชั้นอุตราสง์และอันตราวาสกชั้นเดียวแห่งผ้าใหม่และแห่งผ้าที่ซักเพียงครั้งเดียวก็ยังรเรียกว่าเป็นผ้าใหม่อยู่ แต่สำหรับผ้าที่เก็บค้างไว้ล่วงฤดูจะเป็นผ้าเทียมใหม่หรือว่าผ้าเก่าเพียงู่พึงทำสังคติสี่ชั้นอุตราสง์และอันตราวาศกสองชั้นส่วนผ้าบางสกลุลพึงทำตามความต้องการแม้ในผ้าเก่าที่ตกตามร้านตลาดพึงทำความอุตสาหะคือพึงทำการสแสวงหาไม่มีการกำหนดแม้ตั้งร้อยชั้นก็ควรจะทากี่ชั้นก็ได้ ถ้าเป็นผ้าพวกบางสกุลผ้าตกตามร้านตลาดผู้นี้หรือผ้าบางสกุลนี้ก็ทํากี่รายชั้นก็ได้ร้อยชั้นก็ได้เรไม่มีใครทำสองชั้นก็หนักพอการแล้วแบกไปไหนก็หนักสี่ชั้นยิ่งหนักใหญ่เลยจีวรทั้งหมดนี้พระผู้มีพระพาณาจารย์ตราสำหรับภิกษุผู้ยินดีก็ภิกษุควรตัดจีวรสองผืนหรือผืนหนึ่งในบรรดาจีวรสามผืนถ้ายังไม่พอพึงให้เพิ่มผ้าเพราะ จริงอยู่ผ้าเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตไว้ในเมื่อผ้าไม่พอสมจริงดังพระดำรับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้า่าดูก่อนที่จุดทั้งหลายเราอนุญาตผ้าที่ต้องตัดสองผืนไม่ต้องตัดผืนหนึ่งดังนี้ผ้าต้องตัดสองผืนไม่ต้องตัดผืนหนึ่งผ้ายัางไม่พอ เพิกตุท hmm. mm ั hmm. okay. so, so far, ้งหลายกราบถูดเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนเพิกตุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าไม่ต้องตัดสองผืนผืนหนึ่งต้องตัดดังนี้ผ้าสองผืนไม่ต้องตัดผืนหนึ่งต้องตัดผ้าก็ยังไม่พอเิกตุทั้งหลายจึงกราบถูดเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูความเพิกตุทั้งหลายเราอนุญาตให้เพิ่มผ้าเพราะ แต่ผ้าทุกผืนที่ไม่ได้ตัดที่สุไม่พึงใช้รูปใดใช้รูปนั้นต้องอบัตทุกกฎดังนี้เพราะฉะนั้นถ้าผ้าพอก็ไม่ควรใช้ผ้าเพราะควรตัดเท่านั้นผ้าเพลาะคือผ้าที่เพิ่มเข้าไปแต่ว่าในกถิน่นกับนกการนั่นท่านบอกว่าให้ทําชีวอรเป็นห้าขันต้องตัดแล้วมีคููที่มีปัญหาว่าถ้าไม่ตัดเลยใ จ, จฐานขึ้นไหมมีอบัตหรือเปล่า ผ้าทุกผืนที่ไม่ได้ตัดที่สุดไม่พึงใช้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฏนั้นก็มีความหมายว่าในบรรดาผ้าสามผืนยังไงก็ต้องตัดผืนหนึ่งจะตัดกี่ชิ้นกี่ชิ้นก็นแล้วแต่แล้วก็มาเย็บต่อกันถ้าไม่ตัดที่ต้องอาบัตทุกกดเพราะฉะนั้นถ้าผ้าไม่พอก็ควรให้ผ้าเพาะแล้วก็ตัดเท่านั้นสําหรับสังขติก็เหมือนกันนะสังขตินี่ พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้สองชั้นนี่เป็นท่าใหม่ถ้าเก่าก็สี่ชั้นแต่หลวงท่านก็บอกว่าถ้าสังคติชั้นเดียวอ่ะมีอาบัดไม้เพราะว่าไม่เห็นแสดงอาบัดไว้ก็เป็นธรรมเนียมถ้าใครใครที่จยประพฤติตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าก็ควรจะต้องใช้สังคติสองชั้นถ้าเก่าแล้วก็จะได้สี่ชั้นได้อุตระสงฆ์ชั้นเดียวก็ใช้สังคติสองชั้นและใครคิดจะประพฤติตามคําสอนพุทธเจ้าก็ควรจะใช้สังคติสองชั้น ถ้าเก่าแล้วก็ใช้เป็นสี่ชั้นก็ได้อุตราสงองผ้าห่มนี่ก็ถ้าจีวรห่มนี่ก็ใช้ชั้นเดียวอุตราสอ์ก็เหมือนการผ้าใหม่ถ้าเก่าแล้วก็ใช้เป็นสองชั้นได้บางคนบอกว่าถ้าสังฆติเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอ่ะใช้จีวรแค่สองผืนเท่านั้นนะนะไม่ต้องมีสังฆติเลยอมึงก็ไม่เห็นมีอัมพาตอะไรแต่ว่าทำเนียมพระพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้อยู่การว่าให้พระวิสุทธเนี่ยมีตรีจีวร จีวรไม่ครอบสามผืนนี่บวชไม่ได้น ะ, ะจีวรหายจีวรหายสามผืนให้ขอได้สองผืนหายสองผืนให้ขอได้ผืนหนึ่งแล้วก็ไอ้ขอคนไม่ใช่ยาตไม่ใช่คนปรานาถ้าถูกโจรปล้นหรือว่าหายสูญหายทาธรรมเนียมพิถุควรมีผ้าสามผืนมืผ้าสามผืนก็จะได้ใช้ไปผัดเปลี่ยนนุ่งห่มกันเวลาที่ซักสบงซักสบง ก็เอาจีวร น, นั่นแหละมาพับทบแล้วก็มานุ่งรอจนกว่าสบงจะแห้งแล้วเอาสังคติมาห่มได้ถัดเปลี่ยนกันะบงแห้งแล้วก็เอาจีวรไปซักเล้วเอาสังขารติไปซักถัดกันถ้าเกิดไม่ใช้สังขารติแต่ว่าใช้อุตรปรสง์จีวรตั้งหลายผืนแล้วก็ใช้ะบงทั้งหลายผืน อ, อย่างนี้ก็มือถือเขาไม่ค่อยเหมาะสมกันไม่ใช่เป็นคนน้อยอะ่ะ นึกว่าจะไม่ใช้สัมปติแล้วจะใช้ผ้าสองผืนแต่ว่าใช้สบงใช้ผ้าผัดเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดเลยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นั้นก็ใช้สาผืนนั่นแหละแล้วก็ผัดเปลี่ยนการนุ่งห่มก็เป็นความมักน้อยกันโดดดีพิษสูไม่พึงใช้ผ้าคากรองเป็นต้นเพราะมีพระบาลีว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิษสูไม่พึงใช้ผ้าเปลือกไม้คากรองรูปใดใช้รูปนั้นต้องบัตทุกฏพิษสูไม่พึงใช้จีวรสีเขียวครามรวน สีเหลืองล้วนสีแดงล้วนสีบานเย็นล้วนสีดําล้วนสีแสดล้วนสีชมพูล้วนจีวรที่ไม่ได้ตัดชายจีวรที่มีชายยาวจีวรที่มีชายเป็นลายดอกไม้จีวรที่มีชายเป็นแผ่นสวมเสื้อสวมหมวกสวมผ้าโพกศีรษะรูปใดสวมรูปนั้นต้องอบัรทุกกฎ ด, ดังนี้ในผ้าคากรองเป็นต้นนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไป น, นี้ผ้าที่าำด้วยไม้คากรองท่านเรียกว่าผ้าคากรอง แม้ผ้าเปลือกลาดผ้ากากกล้วยแม้ผ้าเปลือกระหงมีคติอย่างผ้าคากรองเหมือนกันจีวรมีสีเขียวครามล้วนเป็นต้นตึงซักน้ําย้อมออกแล้วย้อมใหม่จึงใช้ถ้าเป็นของที่ไม่สามารถซักออกได้ตึงให้กระทํำเป็นผ้าปูลาดหรือแทรกไว้ในข้ามกลางจีวรของฉันถ้าเป็นต่างๆแห่งสีของจีวรนั้นมีในดังกล่าวแล้วในเรื่องรองเท้านั่นแล ผ้าทั้งหลายที่มีชายไม่ได้ตัดและชายยาวพึ่งตัดชายเสร็จแล้วจึงใช้ตีกสูดได้เสื้อแล้วละออกย้อมแล้วจึงใช้ย่อมควรละออกแล้วก็มาทำจีวรได้แม้ในผ้าโพกก็ในนี้เหมือนกันส่วนหมวกเป็นของที่ทำด้วยเปลือกไม้จะทำหมวกนั้นให้เป็นผ้าช็ดเท้าก็ควรเพราะฉะนั้นจีวรต่างนี้ก็ห้ามเป็นสีอื่นสีที่สมควรก็คือสีที่ย้อมด้วยน้ฝาฝาด แล้วก็คือน้ําฝาดจากรากจากใบจากแก้านจากลาต้นจากดอกอะไรต่งตางๆเลยนะผลของต้นไม้เนี่ยจะได้ว่าย้อมน้ําฝาดออกสีก็ใช้ได้เหมือนกันเลยจะเป็นสีมลมนี่น้ําย้อมฝาดยกเว้นพวกสีแดงเิดแจ๊ดพวกนี้ไม่ได้พวกคลั่งพวกอะไรพวกนี้ปัจจุบันนี้กำลจะมีใส่สีแสดเหมือนกันเหลืองเกี่ยวนั่งแสดนี่ก็ไม่ค่อยเหมาะสมมันกลายเป็นสีสด ก็ควรจะใช้สีกลักหรือว่าสีกันขนุนหรือว่าสีน้ําย้อมฝาดมีอ บ, บัตุกฏด้วยนะแล้วก็สวมเสื้ออันนี้ก็ไม่ควรเสื้อกล๊กเสื้อหนาวของพระบิณุหรือล้หน้าหนาวมันก็เป็นคติแบบเสื้อมัอนกันนะส่วนหมวกนี่ใช้ไม่ได้นะมีอว บ, บัตุกฏเหมือนกันอันนี้หน้าหนาวฤดูหนาวทางภาคเหนือว่าหนาวมากไปอินเดียวกว็หนาวก็เอาหมวกมาสวมถ้าสวมอยู่ใน กุติในที่พักนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่สวมในที่สาธารณชนด้วยนี่ก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่เหมือนกันอันจะแปรรังเกียจไม่ต้องสวมถ้าใครไม่รังเกียจพิ่จะนาเอาเองก็แล้วกันแต่ในที่นี้ท่านก็บอกว่าสวมเสื้อสวมหมวกสวมผ้าโพกศีรษะต่อบรดทุกกฎทิกสุไม่พึงทํากรรมที่ไม่เป็นธรรมและเมื่อทำพึงห้ามเพราะมีพระบาลีว่า ดูกรพิสูจนทั้งหลายพิสุจไม่พึงทำกรรมไม่เป็นธรรมรูปใดทำรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎดูกรพิสูจนทั้งหลายเราอนุญาตให้ขัดขานในเมื่อพิสษุธ์ทำกรรมที่ไม่เป็นธรรมดังนี้ก็เมื่อจะห้ามพึงห้ามตามพระบารีว่าดูกรพิสูกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิสุจสี่ห้ารูปขัดขานให้พิสูสองสามรูปทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิ ให้พิสุตรรูปเดียวอธิษฐานในใจว่ากรรมนั่นไม่ควรแก่เราดังนี้ฉะนั้นในที่ใดพิสูตเทัลลาย่อบกระทําอันตรายแก่พิกษุผู้ห้ามอยู่ในที่ชะนั้นพิสูตรูปเดียวไม่ถึงห้ามถ้ามีพิสูตรสี่ห้ารูปจึงควรห้ามแต่ถ้ามีสองสามรูปพึงทําให้แจ้งซึ่งทิฐิของตนในสํานักของพิสูตรูปอื่นอย่างนี้ว่านี้เป็นกรรมที่ไม่เป็นธรรมกรรมนั่นย่อมไม่สมควรดังนี้ ถ้าเธออยู่รูปเดียวก็พึงอธิษฐานว่ากรรมนั่นย่อมไม่สมควรแก่เราดังนี้การอธิษฐานนั่นแม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อไม่ให้มีอันตรายแก่พิจูเหล่านั้นถ้าทํากรรมไม่เป็นธรรมไม่พัดข้ามนี่ก็มีโทษเน่ยพิจูไม่พึงทำำํากรรมไม่เป็นธรรมรูปใดทำรูปนั้นต้องบัดทุกกดด้วยแล้วก็อนุญาตให้ขัดฐานทำกรรมไม่เป็นธรรมเช่นไปลงกรรมกับผู้ไม่มีความผิด หรือว่าใสใส่ความผู้ไม่มีความผิดอันนี้ก็ไปทํากรรมไปให้ปริว่าผู้ที่ต้องการจะบวชนี่ก็ทํากรรมไม่ถูกทำไม่เป็นธรรมเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้ที่มีอคติแจกจีวอให้จีวอกับผู้ที่มีจีวอนมากแต่ว่ามียศใหญ่ผู้ที่ไม่มีจีวอก็ไม่ยอมให้อะไรพวกนี้ก็ทำกรรมไม่เป็นธรรมตั้งยัติไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้ก็ต้องห้าม แต่ว่าต้องดูนะว่ามีอันตรายหรือเปล่าถ้าสี่ห้ารูปก็ให้คัดค้านถ้าสองสารูปก็ไปทําความเห็นทำความคิดที่ทาแจ้งคือคิดกับพิสู่รูปอื่นถ้ามีพิสูรรูปเดียวอดิษฐานเอาว่าคำนี้ไม่ควรใจเราไม่เห็นด้วยหรอกเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพิสูตทั้งหลายพิสูรยังไม่ขอโอกาสไม่พึงโจทย์พิสูร ด, ด้วยอบับาดรูปใดโจต ร, รูปนั้นต้องอบับาดทุกกดฉะนั้นพิสูรเมื่อจะโจด พึงให้ท่านทำโอกาสอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุจงให e ้โอกาสแก่ผมผมใคร่จะกล่าวกับท่านดังนี้แล้วจึงค่อยโจดจริงอยู่ธรรมดาว่าความประสงค์มีหลายอย่างคื อ, อ, ค, อความประสงค์ในอันให้เคลื่อนความประสงค์ในการด่าความประสงคส์นในการงานความประสงค์นในการออกจากอาบัติความประสงค์ในการงดอุโบสถและปวรณาความประสงในการสอบสวนความประสงในการกล่าวรม บรรดาวความประสงค์เหล่านั้นในความประสงค์สี่อย่างข้างต้นเป็นทุกกฎก็คือถ้าไม่ขอโอกาสก่อนเนี่ยนะเป็นทุกกฎแต่พิสูจน์ผู้ไม่ขอโอากาสตัวอย่างข้างต้นก็คือประสงค์ที่จะให้เคลื่อนจากศา ส, สนาเลยจะโจดอบับดับประราชิกประสงค์จะด่าเจ็บใจจะ ด, ด่าด้วยการโจดประสงค์ในการงานประสงค์ในการออกจากอาบับดับอันนี้ถ้าไม่ขอโอากาสไปโจดนี้อับัตบทุกกฎ และเป็นสังขารที่เศษได้นะก็คือถ้าโจทย์ประชิกไม่มีมูลนี้ต้องอบัตรสังขารทีเศษเลยแม้แก่พิสุผู้ให้กระทําโอกาสแล้วตามกําจัดคือโจทย์ด้วยประชิกอันไม่มีมูลซึ่งซึ่งหน้าก็เป็นอบัตรสังขารทีเศษด้วยนะเป็นปัจจิตีกับพิสูพูตตามโจทย์ด้วยสังขารที่เศษนี้มีมูลแต่บัตรปัจจิตีเนี่ยสําหรับไปโจทยดพิสุที่ไม่ได้ต้องอ บ, บัตรจริงๆอ่ะไปโจทย์สังขารทีเศษไม่มีมูลก็ต้องบัตรปัจจิตี แล้วก็เป็นทุกโกรธแก่ทิสุผู้ตามกําจัดด้วยอาจาระระวิบัติไม่มีมูลก็ไม่ได้ต้องอาบัตปายจิตีไม่ต้องอาบัตทุกโกรธเไปโจทเขาต้องอาบัตทุกโกรธงานเป็นปายจิตีแก่ทิสุผู้กล่าวด้วยประสงค์จะด่าไปโจทเขาเพื่อจะด่านี่ก็ต้องอาบัตปายจิตีแต่ว่าต้องอาบัตทุกโกรตัวหนึ่งก่อนนะแต่ว่าไม่ขอโอกาสไม่ขอให้ทิสุให้โอกาสต้องให้เขาให้โอกาสก่อนถึงสามารถที่จะโจดได้แต่ไม่โจดแล้วก็ตั้งใจจะโจดเพื่อด่าก็ต้องอาบัต ปาจิตตีเป็นทุกกฎแกพ่พิสูจผู้กล่าวด้วยกองอาบัติแม้ทั้งเจ็ดกองในที่รับหลังไปกล่าวไปโจทย์เขรับหลังหรือ ว, ว่านั้นนะองนั้นน่ะต้องประสิทธินะ์แล้วหรือสังขาเรเศษหรือบัตปาจิตตีในกระแลแสนโจทย์รับหลังต้องอบัติทุกกฎเป็นทุกกฎอย่างเดียวแกพิสูจน์ผู้กระทำกรรมทั้งเจ็ดอย่างเฉพาะในที่รับหลังเท่อนี้นะเป็นทุกกฎอย่างเดียวแกพ่พิสูจผู้กระทำกรรม ทั้งเจ็ดอย่างเฉพาะในที่รับหลังเนี่ยโจรตระกล่าวถึงกองอาบัตทั้งเจดของพิสุด้วยจิตอกุศลในที่รับหลังก็เป็นอาบัตทุกกฎกล่าวถึงกองอาบัตทั้งเจ็ดของพิสุทธิ์ด้วยกุศลจิตนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกกฎอย่างเดียวแต่พิกษุผู้กระทำกรรมทั้งเจ็ดอย่างเฉพาะในที่รับหลังส่วนในกุลินทีท่านกล่าวว่าจิต ด, ด้วยการขอโอกาสย่อมไม่มีแก่พิสุ์ผู้กล่าวว่า ท่านต้องอาบัตชื่อนี้จงกระทาคืนอาบัตนั้นเสียโดยประสงค์จะให้ออกจากอาบัตอันนี้ในกรุณทีบอกนะว่าอยากจะให้ออกจากอาบัตด้วยจิตกรุณาเนี่ยนั้นก็ท่านอาบัตอย่างนี้ออกจากอาบัตทำคืนเสียในอาบัตเสียท่านบอกว่าไม่มีอาบัตไม่มีการขอโอกาสสาหรับที่สุพุ่งบสถและปะวารณาการจะงดโบสดปวารนานี้ไม่ต้องขอโอกาส ก็คือเมื่อทิจสุผู้ต้องบัตรพระราชิกังคายเศษอะไรพวกนี้มาอยู่ในโดบบสดก็งดอโบสดได้เลยแต่เพึ่งรู้เขตแห่งการงดนี้ว่าคือมีเขตของการงดนะว่าการงดเนี่ยจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เขาตั้งยติจนกระทั่งถึงเร อ, อักษรก็คือก็จะสวดว่าสุมโตเมผันเตสังโฆอาจปตะโปโนะรโส ยติสังฆาสาปะตะกลังสังโฆอุป ส, สัทถังกะเรกะเรนี่นะช่วงนี้นิงงดได้หมดเลยก็คือไม่ต้องข อ, อการขึ้นมาเลยว่าข้าพเจ้าของงดปฏิโมกดังนี้ไปก็เมื่อตรวจยังไม่เลยเรอักษรย่อมงดได้แต่เมื่อถึงยักอักษรหลังเรออักษรนั้นไปย่อมงดไม่ได้ถึงกะเรยักถึงยักนิ่งงดไม่ได้นะ้ ว่าตั้งยติจบแล้วแต่ว่าจัดตัวตัวตวตว้งแต่คุณมาตุไปถึงโจนถึงกระเทยย่อมวัดได้ยักอักษรเมื่อไหรปะวัดไม่ได้ในเปรนาก็อย่างนี้เหมือนกันโอกาสกรรมหมายถึงว่าการกระทําโอกาสย่อมไม่มีแม้แก่ที่ตุผู้สอบสวนในเมื่อเรื่องถูกนําเข้ามาเสนอแล้วกล่าวอยู่ด้วยประสงค์จะสอบสวนว่าเรื่องอย่างนี้มีแก่ท่านหรือแม้าหรับพระธรรมกรถกผู้นั่งอยู่บนธรรมะ กล่าวทำไม่เจาะจงโดยนายเป็นต้นว่าพิธีตุใดกระทำอย่างนี้และนี้พิกีุนี้ไม่ใช่สมณะดังนี้ก็ไม่ต้องมีการขอโอกาสแต่ทว่ากล่าวเจาะจงกําหนดว่าผู้โน้นผู้โน้นไม่ใช่สมณะไม่ใช่อุบาสกดังนี้นองจากธร ม, มาภแล้วควรแสดงอาบัตก่อนจึงไปก้าวบาตรทุกกฎไม่ขอโอกาสก่อนแล้วก็โจทย์หรือว่ากล่าวอาบัตในที่รับหลัง ทิสุ no. ไม่พึงให้ทิสุผู้บริสุทธิ์ทำโอกาสในอาิกร <ament ale S 2> ที่เ er. ป็นเรื่องไม่มีเหตุเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนทิสุทั้งหลายทิสุไม่พึงให้ทิสุทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีอบัติทำโอกาสในอาิกรที่ไม่เป็นเรื่องไม่มีเหตุเป็นอาทิกรที่ไม่มีมูลรูปใดให้ทำรูปนั้นต้องอบัติทุกกฎถ้าเขาไม่ต้องอบัติจริงๆไปขอโอกาสที่จะโจทย์ก็ไม่ได้ แต่ต้อไปขอโอกาสคนที่บริสุทธิ์หรอกกล้าไปขอโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วก็จะไปขอโอกาสที่จะโจทย์อบัติก็อาบัตทุกกฎก่อนแล้วดังนี้ทิฏฐุควรใไขควรววอย่างนี้ว่าทิฏฐุย่อมกล่าวอาบัตที่มีจริงหรือไม่มีจริงหนอดังนี้แล้วจึงทําโอกาสเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนทิฏฐุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิจารณาดูบุคคลก่อนจึงทําโอกาสดังนี้ จะาต้องพิจรารณาเหมือนกันเข้ามาขอโอกาสในการที่จะโจทย์อบับจะต้องดูว่าปกติคนนี้ก็เป็นคนพูดจริงหรือเปล่าพูดมีเหตุมีผลไหมเป็นคนหลอกแหลหรือเปล่าเตินคนที่ไม่ค่อยพูดจริงเป็คนเกเรชอบหาเรื่องหาราวคนอื่นอันนี้ก็ไม่ต้องให้โอกาสไม่ต้องทําโอกาสให้ก็ไม่มีโทษอะไรเขาก็จะโจทย์ไปได้ถ้าก็โจทย์เขาก็อับัตทุกกฎ พิสุไม่พึงยังศัท ธ, ธาไทยให้ตกไปเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายพิสุไม่พึงยังศัท ธ, ธาไทยให้ตกไปรูปใดยังศัท ธ, ธาไทยให้ตกไปรูปนั้นต้องอ บ, บัตทุกฎ ด, ดังนี้เว้นมารดาบิดาเสียพิสุแม้เมื่อจะให้แก่พวกยากที่เหลือก็เป็นการทำศรัท ธ, ธาไทยให้ตกไปเหมือนกันอนหนึ่งมารดาและบิดาแม้ดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วยังปรารถนาอยู่ก็ควรให้ พวกวัตถุปัจเจกสี่ที่ได้มาแล้วจะเอาไปให้คนอื่นก่อนนี่ยกเว้นมานาบิดาให้คนอื่นก่อนไม่ได้แม้กระทั่งพวกญาติที่เหลือถ้าไปให้คนอื่นก่อนนี้ก็มีอาบัตทําศรัทธาไทยตกไปข้าวที่บินทบาตรที่ได้มาเรียกว่าอนามัฐะบินฑบาตรไปให้คนอื่นก่อนก็ทําศรัทธาไทยตกไปเหมือนกันแต่มาให้มานาบิดาก่อนได้แล้วก็ให้พวกมวยเยาวชนพวกปันทุประลาที่จะบวช จะทำนิตท่างหลายนี่ก็ให้ได้แต่ว่าพวกคนอื่นๆนี่ก็ต้องมีอุบายก็คือนามาฉันด้กคำหนึก่อนก็ได้หรือว่าแบ่งเอาไว้ตาหรับตัวเองที่เป็นของที่จะฉันที่เหลือก็วางเอาไว้ให้เข้าไปก็ได้ภิกษุนุ่งเฉพาะผ้าอันตราศกและผ้าอุตราสงไม่พึงเข้าไปในบ้านเพราะมีพระบารีว่าดูความพิสูนทั้งหลายพิสูมีผ้าอันตรวาศก ผ้าอุตราสงค์ไม่พึงเข้าบ้านรูปใดเข้าไปรูปนั้นต้องอบัตทุกกฎก็แสดงว่าจะต้องเอาผ้าสังคติเข้าไปในบ้านด้วยต้องเอาสังคติเข้าไปในบ้านด้วยแต่ว่ามีข้อยกเว้นอันหนึ่งเพราะมีพระบารีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเหตุที่เก็บผ้าสังคติไว้ได้มีห้าอย่างเหล่านี้ก็คือเป็นไข่ยอย่างหนึ่งป่วยไม่สบายมันหนักไม่เอาไป อันที่สองสังเกตว่าฝนจะตกอย่างหนึ่งอันนี้สามไปตู่ฝั่งแม่น้ําอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องอากไปได้อันนี้สี่วิหารคุ้มด้วยดานอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่ห้าได้กรารกระถินการก ร, กรถินห้าเดือนท่านออกพรรษาไปในการกระถินก็รวมเป็นห้าเดือนถ้าไม่ได้กรารกรถินก็ได้ไอสงเดือนหนึ่งในฤดููถวายชีวอนเดือนหนึ่งหลังออกพรรษาแล้ว ดูกนที่สุดทั้งหลายเหตุที่เก็บผ้าสังคติไว้ได้มีห้าอย่างนี้แลดังนี้ทิกสุกไข้ผู้ไม่สามารถจะถือเอาไปได้หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งมีสังเกตว่าฝนจะตกเป็นต้นเมื่อมีปัจจัยเห็นปานนั้นที่สุดจะเก็บผ้าสังคติในวิหารที่คุ้มด้วยดานมีผ้าอันตรวศกและผ้าอุตรรสง์ไปก็ควร จึงอยู่ในองแห่งการเก็บจีวรมีความเป็นผู้อ า, าพาธสังเกตว่าฝนจะตกการไปสู่ฝั่งแม่น้ำและการได้กรานกระถินเหล่านี้ทั้งหมดไม่เป็นประมาณองค์คือกุฎีที่คุ้มครองได้เท่านั้นเป็นประมาณที่สุเก็บไว้ในวิหารที่คุ้มครองได้เท่านั้นแล้วไปภายนอกจึงควรเพราะฉะนั้นเอาองค์ที่เป็นประมาณหาว่ามีเหตุยอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นไข้สังเกตว่าฝนจะตกหรือว่า ไปสู่ฝั่งแม่น้ำหรือว่าได้กลางกระถินสามารถที่จะเอาสังกะสเก็บไว้ได้แต่ว่าจะต้องกุติคุ้มได้วยดานได้เอากุติคุ้มได้วยดานได้เนี่ยเป็นประมาณแต่ว่าองค์สี่ที่เหลือนี้ไม่เป็นประมาณเลยแม้มีเหตุแล้วก็ต้องมีกุติที่คุ้มครองได้เท่านั้นที่ตุเก็บไว้ในวิหารที่คุ้มครองได้เท่านั้นแล้วก็ไปภายนอกจึงควรในวิหารที่คุ้มครองไม่ได้ไม่ควรแม้จะมีเหตุข้าอย่างนี้ก็เอาเฉพาะวิหารคุ้มได้วยดานได้เนี่ยเป็นสําคัญ ส่วนวิหารของพิกสุผู้อยู่ป่าย่อมไม่เป็นวิหารที่คุ้มกันได้ดีอันพิสุผู้อยู่ป่านั้นเพิ่งเก็บไว้ในหม้อสาหรับเก็บของแล้วซ่อนไว้ในที่มิดชิดมีโพรงหินและโพรงไม้เป็นต้นแล้วจึงไปถ้าเป็นผู้อยู่ป่าก็จะต้องเก็บไว้ในหม้อในที่สําหรับเก็บอย่างดีให้มิดชิดซ่อนไว้ด้วยท่านก็บอกว่าพิสุอยู่ป่าเนี่มีภัยหน้ารังเกียจก็สามารถที่จะเก็บ ผ้าพื้นในพืนหนึง่งไว้ใ น, นแะแวกบ้านได้หรือว่าอยู่ปราจากได้หกราตรีแม้การเก็บผ้าอุตราสอ์และผ้าอันตรวาศก็ควรทราบปัจจัยห้าอย่างนี้นั่นแหลก็จะเอาสองผืนเข้าบ้านเท่านั้นก็ได้จะห่มสังคติกับสบงเข้าไปแล้วก็เอาจีวรเก็บเอาไว้ที่กุฏิก็ได้หรือว่าถ้าซักสบงเปียกจงเปียกเพราะว่าซัก ก็เอาจีวร น, นั่นแหละมาพับเป็นสองทบแล้วก็นุ่งเข้าไปเอาสังกติห่มไปแล้วก็เอาอุตรถงหรือว่าผ้าสบงที่เปียกก็ตากไว้ในกุฏิแล้วก็ล็อกดานให้เรียบร้อยก็เข้าไปได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นตรจีวรอดิฐานไตรจีวรอดิฐานเพราะฉะนั้นถ้าถึงแม้ไม่มีเหตุอย่างอื่นก็คือไม่ได้เป็นไข้หรสังเกตว่าฝญจะตก ไม่ได้ไปสู่ฝั่งแม่น้ำหรือว่าไม่ได้กรารกระถินเลยกรารกระถินได้แล้วก็วิหารคุ้มได้ด้วยดานอย่างเดียวหรือว่าแม้ไม่ได้คุ้มได้ด้วยดานใลด้วยแหละแต่ว่าถอนไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งที่เราก็ไม่เอาเข้าบ้านเนี่ยโดยเพราะสังฆติหรือว่าชีวรก็แล้วแต่จะผมสังฆติไปบินถ่ายก็แล้วแต่หรือว่าจะเข้าในเลิกแวบบ้านด้วยเหตุใดก็ตามถ้าถอนแล้วเนี่ยจีวรที่ถอนนั้นก็ถึงความเป็นอดีตจีวรเก็บได้สิบวันเท่านั้น แต่ว่าเราไปที่ไหนไหนก็ไม่มีอาบัตไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้เป็นอาบัตแต่ว่าต้องไม่ให้ร่วงสิบวันเพราะฉะนั้นถ้าจะบินบินตาบาทไม่เอาสังฆติเข้าบ้านหรือว่าไม่เอาจีวรเข้าบ้านก็ถอนประทอนเสร็จแล้วกลับมาก็อธิษฐานก็ได้บริหารข้ออุโ ด, โดสิกะอุโดสิกะหมายถึงการไม่อยู่ปราศจากไตรจวรสิ้นราตรีหนึ่งก็ได้บริหารรับสั่งวินัยข้อนี้ด้วยต่อไป ก็มีพระบาลีว่าดูก่อรพิจูดทั้งหลายพิจูดไม่พึงให้ทําสัตถกรรมและวัตถิกรรมสัตถกรรมก็คือผ่าวัตถิกกรรมก็คือเจาะในที่ประมาณสองนิ้วโดยรอบแห่งที่แคบทําการผ่าตัดหรือว่าเจาะในที่แคบประมาณสองนิ้วรอบๆแห่งที่แคบก็คือบริเวณทวารหนนะักรูปใดให้ถามรูปนั้นต้องอบัดธุลรับใจ เปล่ยนบัตรทุละใจเลยถ้าไปผ่าไปเจาะ บ, บริเวณที่แค่สองนิ้ว ร, บรอบๆดังนี้ในโอกาสตามที่กําหนดแล้วไม่ควรทําการตัดการผ่าการเจาะหรือการกรีดด้วยของมีคมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมีดก็าตามเป็นเข็มก็าตามเป็นหนามก็ตามเป็นห อ, อกก็าตามสเก็ตหินก็าตามเล็บก็าตามเพราะว่ากรรมมีการตัดเป็นต้นนั้นทั้งหมดย่อมเป็นสัตตกกรรมแท้ อันหนึ่งไม่ควรทําแม้ซึ่งการบีบหัวไส้ด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นหนังก็ตามผ้าก็ตามเพราะว่าการบีดนั้นทั้งหมดจะเป็นวัตถิกกรรมวัติกรรมนี้หมายถึงการผูกการบัดส่วนศัตรกรรมนี้ก็หมายถึงการผ่าการเจาะก็ห้าหมดเพราะฉะนั้นคนเป็นไปสี่ดวงทวารสมัยนี้ก็ถ้าไปผ่าตับนี่ไอ้ก็ผ่านนี่ก็มีอุปสรรคทุรยใจเหมือนกันนะแต่ว่ามีกรรมวิธีที่ ร, รักษา ก็ในลระ บ, บาหลีนี้คําว่าสองนิ้วในรอบแผ่งที่แคบนี้ตรัดไม้เอาเฉพาะสัพทกรรมศัพทกรรมก็คือการผ่าตัดเจาะส่วนวัตถกรรมนั้นทรงห้ามแต่ในที่แคบเท่านั้นก็คือการผูกเนี่ยจะผูกในที่แคบก็คือในที่บริเวณทรวงหนนะักพูดง่ายคือเป็นลิสต ด, ดวงนั่นแหละรอบนั้นห้ามผ่าตัดแล้วก็ห้ามผูกรัด ที่ตัวที่สีดวงด้วยนะแต่จะหยอดน้ําด่างก็ดีจะรัดด้วยเชือกชนิดใดชนิดหนึ่งก็ดีที่หัวไส้นั้นควรอยู่ก็คือจะเอาหนังหรือว่าผ้านี่รัดไม่ได้แต่ว่าใช้เชือกชนิดใดชนิดหนึ่งก็ดีรัดที่หัวไส้นั้นนะ น, นะที่เป็นิสีดวงออกมาถ้าหัวไส้นั้นขาดออกด้วยน้ําด่างหรือว่าเชือกนั้นเป็นอันขาดได้ดี ถึงโรคอันท่าโตก็ไม่ควรทำสัตรกรรมก็หมายถึงเป็นโรคไส้เลื่อนอันทาโตก็ไม่ควรผ่าตัดเราะเหตุนัน้นไม่ควรทำศัตรกรรนึกคิดว่าเราจะผ่าอันท่าคักเอาเม็ดออกทำให้หายโตแต่ในการย่างด้วยไฟและทายาไม่มีการห้ามในทวันหนักกลวยไม้และเกลียวชุดที่ทายาแล้วก็ดีหลอดไม้่ผยก็ดีซึ่งทาไว้สาหรับหยอดน้ำดา หรือกรอกน้ํามันย่อมควรสําหรับเป็นริดิีดวงทวารจะเอาน้ําด่างหยอดหรือว่าเอากรอกด้วยน้ํามันก็ได้สมัยนี้ก็ใช้อะไรเขาเรีกเพสสังคาตเป็นยาแก้ริดสีดวงทวารเป็นสมุนไพรเอามาถูๆๆที่เป็นริดสีดวงเนี่ยก็จะฝ่อฝ่อหายไปอันนี้ก็อนุญาตให้สอดเข้าไปในทวาร น, นะแล้วก็หยอดน้ําด่างอะไรได้ก็สมัยนี้จะจะมีการทํา เรียกว่าดีท็อกก็เอาน้ํากาแฟหยอดเข้าไปในทวารหนักเพื่อจะให้มันไปล้างส่วนของกรืเคาะอาหารเก่าอะไรต่างๆอันนี้คงชานุโลมความดีได้เหมือนกันก็มีพระบาลีว่าดูกรพี่สุทั้งหลายพี่สุผู้เคยเป็นช่างกัะระบบไม่พึงเก็บรักษาขุรภัณ ก, ก็คือเครื่องมือตัดผมพวกนี้โกนรูปใัเก็บรักษาไว้รูปนั้นต้องอันบัดทุกกฏฉะนั้นพี่สุผู้เคยเป็นช่างกัะระบบ ไม่ควรเก็บรักษาขุรภพันไว้เลยแต่จะปลงผมด้วยมีดโกนเป็นของคนอื่นควรอยู่ถ้าจะถือเอาค่าจ้างปลงไม่ควรพิสุใดไม่เคยเป็นช่างกระบกแม้พิสุนั้นจะรักษาขุรภพันไว้ย่อมควรถึงแม้จะถือเอามีดโกนเล่มนั้นหรือเล่มอื่นปลงผมก็ควรอันนี้ต้นเหตุก็คือพิสุที่ เป็นช่างกระบบมาก่อนไปพกมีดโกนไว้ก็เลยจะเที่ยวรับจ้างไปเที่ยวปล o n ผมให้คนอื่นเขาก็เลยได้เป็นอันในการที่จะอบรมใจติกขาเลยมีมีดโกนเครื่องมือทําหากินอยู่อุปนิสัยปจัจจัยอ่ะมันก็อดจะคันมือคันไม้ไม่ได้ก็ทำให้ไม่น้อไปในไตสิกขาอันนี้ก็มีต้นเหตุอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครเคยเป็นช่างไม้ก็พกพวกเครื่องมือช่างไม้นี่นะพวกค้อนพวกเสีว้วพวกวานพวกเรื่อย อะไรพวกนี้เนี่ยนะเรืองเกี่ยวกับองเครตรงนี้ด้วยหรือเปล่าใครเคยเป็นช่างคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์หมดเลยมีทั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยใครเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องมือไฟฟ้าหมดเลยเข้ามาบวชจารนุ่นลมตรงนี้หรือเปล่า น, นี่ก็ต้ อ, องพิจารณาดูนะแต่ว่าในเมื่อไม่มีศึกขาบทบัญญัติไว้ก็มีมีการปรับอัปบัตเบตตรงแต่ว่าก็ต้องพิจารณาดูว่าน้อมไปในใจสกขามากหรือว่าน้อไในใามาออไปในการที่จะมีอุปนิสัยในการที่จะเป็นช่างทํางานต่อไป เพมีพระบาลีว่าดูก่รที่สุดทั้งหลายพืชของสง์ที่เพาะปลูกในที่ของบุคคลพึงให้ส่วนแดงแล้วจึงบริโภคพืชของบุคคลที่เพาะปลูกในที่ของสง์พึงให้ส่วนแบ่งแล้วจึงบริโภคดังนี้ทิ่ษุดพึงให้ส่วนที่สิทในพืชของสง์ที่ปลูกไว้ในที่ของบุคคลหรือในพืชของบุคคลที่ปลูกไว้ในที่ของสงแล้วจึงควรบริโภค ได้ยินว่าการให้ส่วนที่สิบนี้เป็นธรรมเนียมเก่าในชมพูทวีปเพราะเหตุนั้นพึงแบ่งเป็นสิบส่วนแล้วให้แก่เจ้าของที่ดินส่วนหนึ่งอนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะว่าจะเป็นเพื่อของสงปลูกในที่ของบุคคลเพื่อของบุคคลปลูกในที่ของสงก็ต้องให้ส่วนที่สิบจะได้เอาไปโดยพวกอีกข้อหนึ่งพิสูุผู้จะข้ามทางกันดารเช่นนั้นย่อมควรที่จะสแสวงหาสเสบียงได้ก็มีพระบาลีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย ผลทางกันดารอัฐคัดน้ําอัฐคัดอาหารมีอยู่เท็กสูไม่มีสเบียงจะเดินทางไปทําไม่ได้ง่ายเราอนุญาตให้แสวงหาสเบียงได้คือเท็กสูต้องการข้าวสารพึงแสวงหาข้าวสารต้องการถั่วเขียวพึงแสวงหาถั่วเขียวต้องการถั่วราชมาพึงแสวงหาถั่วราชมาตต้องการเกลือพึงแสวงหาเกลือต้องการน้ําอ้อยพึงแสวงหาน้ําอ้อยต้องการน้ํามันพึงแสวงหาน้ํามัน ต้องการเนยใสพึงเสแวงหาเนยใสดังนี้ถามว่าพิกษุพึงเสแวงหาอย่างไรตอบว่าถ้าชนบางพวกทราบแล้วถวายเองได้อย่างนั้นนั่นก็เป็นการดีถ้าเขาไม่ถวายพึงเสแวงหาจากที่แห่งญาติและคนปรนนาหรือด้วยพิถาจารวัดเมื่อไม่ได้ด้วยอาการอย่างนั้นพึงขอจากสำนักแห่งคนที่ไม่ใช่ญาติและไม่ใช่ผู้ปรนนาแล้วถือเอาก็ได้ในทางที่จะต้องไปเพียงวันเดียว เพื่อแข็งหาสเสบียงเพื่อประโยชน์แก่อาหารเที่ยงวันเดียวในทางไกลตนจะข้ามกันดารไปได้ด้วยสเสบียงเท่าใดพึงแข็งหาเท่านั้นเถิดสมัยนี้มันก็ไม่มีแล้วทางกันดารทั้งหลายก็ขึ้นรถเมลขึ้นรถประจําทางขึ้นเครื่องบินไปไม่จําเป็นจะต้องมีอาหารระหว่างเดินทางเลยเพราะว่าบนเครื่องบินก็มีอาหารเลี้ยงแล้วก็ไปที่ไหนก็บินสบายได้ทั้งนั้นเลยนะในประเทศไทยสมัยนี้ แต่ว่าอันนี้ก็อนุญาตไว้พราะว่าสมัยก่อนในประเทศเดียดนี่ก็กว้างใหญ่ไพศาลมากบางที่ก็ไม่มีคนเลยก็ต้องหารเสบียงได้ถ้าขอกับญาติไม่ได้ไม่มีใครถวายก็ขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาก็ยังได้ในขณะที่เดินทางไกลอาจจะคัดน้ำอาจจะคัดอาหารพวกแถบทะเลทรายอะไรต่างๆนั้นหรือว่าป่าดงต่างๆที่ไม่มีผู้คนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมหาประเทศสี่ เหล่านี้ไว้เพื่อประโยชน์ที่พิกตุทั้งหลายจะได้ถือไว้เป็นในว่าก็คือเอาไว้เป็นเครื่องวินจัยและเทียบเคียงนะว่าดูก่อนพิกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกันกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายข้อหนึ่งดูก่อนพิกตุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควร หากสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่ควรขัดกันกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นย่อมควรแก่เธอทั้งหลายอย่างหนึ่งดูก่อนพิ่สุดทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตโวยว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรขัดกันกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายอย่างหนึ่งดูก่อนพิ่สุดทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากันกับสิ่งที่ควรขัดกันกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้น ควรแก่เธอทั้งหลายนังนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้ห้ามสองข้อไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรสองข้อแล้วก็ไม่ได้อนุญาตไว้สองข้อแต่ว่าที่ไม่ได้ห้ามไว้สองข้อน่ะมันไปเข้ากันกับสิ่งที่ควรขัดกันกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นก็ควรกับเธอทั้งหลายถ้าไปเข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรขัดกันกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรกับเธอทั้งหลายไอ้ที่ไม่ได้อนุญาตเอาไว้ว่าควรทั้งสองข้อเลย แต่ว่าสิ่งนั้นไปเข้ากันกับสิ่งที่ไม่ควรขัดกันกับสิ่งที่ควรถึงนั้นก็ไม่ควรเหมือนกันหรือว่าที่ไม่ได้อนุญาตเอาไวว่าสิ่งนี้ควรแต่ว่ามันไปเข้ากันกับสิ่งที่ควรขัดกันกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นก็ควรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเครื่องวินิจฉัยพระธรรมสังคาหะตะเถระทั้งหลายเมื่อถือเอาสูตรสอบสวนดูในมหาประเทศนั้นได้เห็นความข้อนี้ว่าเนพระบาลีว่าถัพเปตตวาทัญยพละระสังนี้ รสแห่งธัญชาติเจ็ดชนิดเป็นอันห้ามแล้วว่าไม่ควรในปัจฉาพัฒรสแห่งธัญชาติเจ็ดชนิดก็พวกข้าวเปลือกข้าวสารีะข้าวขว้ามอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่นะพวกตระกูลข้าวทั้งหลายที่เป็นธัญชาติพวกนี้ยน้ําที่คันจากสิ่งเหล่านั้นต้มจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ควรหมดเลยในปัจฉาพัฒถือว่าเป็นอาหารส่วนมหาผลก้าวก็คือผลตาลผลมะพร้าวผลกนินผลสาเกน้ำเต้า ฟักเขียวแตงไทยแตงโมฟักทองเป็นอันทรงห้ามและอัปรรณชาติทุกชนิดมีคติอย่างธัญชาติเหมือนกันก็พวกถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วทองถั่วราชมาศ ถ, ถั่วอะไรต่างๆเหล่า น, นี้พวกอปรรณชาติทั้งหลายที่ไว้บริโภคที่หลังมีคติเหมือนกับธัญชาติเหมือนกับพวกข้าวเปลือกอะไรเหมือนกันมาหาผลและอปรรณชาตินั้นไม่ได้สรงห้ามไว้ก็จริงถึงกระนั้นย่อมเข้ากันกับสิ่งที่เป็นอสัิยะ พราะเหตุนั้นจึงไม่ควรในปัจฉามพัฒในปัจฉามัฒนี้ไม่ควรพวกมหาผลทั้งหลายเก้าอย่างผลตาลผลมะพรา้าวผลขนุนผลสาเกน้ําเต้าฟักเขียวแตงไทยแตงโมผักทองเก้าอย่างเท่านั้นนะตอนนี้มีผลไม้อยที่ใหญ่เช่นทุเรียนทุเรียนนี่ก็สงเคลอต้องกับขนุนได้ใช่ไหมน้ําทุเรียนคั้นเนี่ยนะหรือว่าตอนนี้ก็จะมีพวกแทนตารูปแทนตารูปพันใหญ่ๆโต อาจจะเข้าก็ได้กับพวกแตงไทยแตงโมอะไรพวกนี้ท่านแสดงบอกว่ า, วาถ้าใหญ่กว่ามะตูมนี่ใช่ ไ, ไม้ได้แล้วนะไม่เห็นมีบอกที่ไหนแต่ว่าก็ถือเอาถือตำต่างกันมาแต่ว่าพวกมะตมูมพวกอะไรนี่ไปต้มถ้าไปต้มใส่น้ำตานี่ก็ไม่ได้เป็นน้ำปะนะไม่ได้เป็นน้ำปนะเพราะมะตูมนี่ก็เป็นยาน้ำตานี่ก็เป็นสรารตะหะคาริกถ้ามันนั้นผสมกันแล้วก็เหลืออายุเจ็ดวันนี้ก็ พูดได้นิพติเป็นสัตว์ตาหาการลิขหราอว่าถ้าฮมิษผสมกันพวกผลิกกระคนกันนี้ก็ต้องถือตามเอาอายุสั้นบานท่านก็ตังเกียจว่าพวกน้ำขิงน้ำมะตูมน้ำอะไรพวกนี้ก็มันสุกด้วยไฟถูก ไ, ไ, ได้ไฟไม่ควรฉันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น้ำผลไ ม, ลม้น้ำผลไม้ต้องคั้นสดสดต้องคั้นสดสดก่อนพารจะคันเองถ้าหลังพัดก็อนุสมบัญทําก็ควรฉันเหมือนกัน ใช้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งน้ำผลไม้แล้วก็ที่ท่านบอกว่าไม่ควรสุกด้วยไฟเนี่ยนะท่า น, นก็ไม่ได้แสดงอาบัตอาไว้หรอกนะแต่ว่าก็าถือว่าเมื่อไม่ควรสุกด้วยไฟอธิกฐานท่านแสดงไว้ควรที่จะอนุโลมอนุเคราะห์ตามพระพุติตามต่อไปนะ้ำปะนะแปดอย่างตรงอนุญาตไว้น้ําปะนะแห่งผลไม้เน็บมีหวาย มะขามมะงมวมะขิดสักคะห์และเล็บเหี่ยวเป็นต้นมีคติอย่างอัตภปานะแผลพวกอัตภปานะกพวกน้ำมะม่วงเหลือนะพวกมะม่วงดินจีพวกองุ่นพวก อ, อะไรชมพู่กล้วยมีเมล็ดกล้วยมี ม, มีเมล็ดพวกนี้นี่นะเป็นน้ำอัฐบานท่านแสดงไว้แปอย่างแต่ว่าน้ำผลไม้เล็กๆเหล่านี้เนี่ยก็เยอะๆเลยนะไหวมะขามมะงมวมะขิดสะเคล้อ แล็บเหี่ยวพวกมาปลางมาปริงอะไรพวกนี้นี่ได้ทั้งนั้นนะนะก็อนุโลมน้ำปนา้าเห็ผลไม้เหล่านั้นไม่ได้ทรงอนุ ญ, ญาตไว้ก็จริงถึงอย่างนั้นย่อมเข้ากันกับสิ่งที่เป็นกัปติยะเพราะฉะนั้นจึงควรในกุรุนทีแก้ว่าจิงอยู่เว้นรสแห่งเมล็ดข้าวกับทั้งสิ่งที่อนุโลมเสร็จแล้วขึ้นชื่อว่าน้ําผลไม้อื่นที่ไม่ควรย่อมไม่มี น้ำผลไม้ทุกชนิดเป็นยามะกาลิกแท้ยกเว้นที่ห้ามเอาไวแล้วพวกน้ำมเมน็ดข้าวแล้วก็สิ่งที่ห้ามเอาไวน้นในอย่างอื่นก็ควรทั้งหมดเลยน้ำถูกเขียวนี่ก็ป่วยนี่ก็ฉันได้ถ้าป่วยน้ำถูเขียวใสน้ำถูเขียวข้นน้ําข้าวพวกนี้ป่วยมีอนุญาตไว้จำกัดอันนี้สมควรจะเวลาขอยตั้นทั้งหลายผู้ไข้ในการศึกษาพระธรรมและพระวินัย ได้สรงจำคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระวินัยนี้ก็ต้องส่งจำไว้อย่างมากและภิกษุปใช้เวลาห้าพรรษาศึกษาให้ทั่วทั่วถ้ารู้ทมวินยัยทรงปาฏิโมกได้ทั้งสองได้มาพิการทั้งสองก็คือปฏิโมกของพิกษุปพิจุณีนั่นแหละก็าสามารถที่จะพ้นนิสัยสามารถที่จะาารักษาตนเองได้ก็เป็นอันพ้นนิสัยไปแล้วก็จะได้อบรมไตรปิกฐาให้บริบูรณ์ในระหว่างห้าพรรษานี้ศึกษาพระวินัยให้เข้มข้นแล้วก็ ศึกษาเรื่องของพระธรรมด้วยพระตรูด้วยพ้าวิธรรมด้ว ย, ะว ย, วยจะได้เป็นปัจจัยต่อการอบรมสมถะและก็วิปัสสนาถ้าพร้อมมูลห้าภาษาแล้วตอนนี้ไปไหนได้สะดวกแล้วจะหลีกไปอยู่ป่าอยู่เขาจะเจริญสมถะวิปัสสนาอย่างเอาจริงอาจังเป็นผู้ประหิตตัดโตไม่อะไรในร่างกายและชีวิตสมควรกับการที่จะบรรลุอริยสัจธรรมอุบาส่งบัณฑิกาทั้งหลายน้อมไปในการที่จะอนุเคราะห์เข้าวิไน จมีตัทาเริ่มงสต่อพระพิสดุที่มีศีนุปธรรมอุปถ า, ปถาท่านผู้ที่รักษาศีนตรงทำรรตรงวินัยจะเป็นปัจจัยเพื่อกูนแกบบ่การอบรมไตรสิกขาแล้วก็โอกาสของการบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรแสดงไว้ดีแล้วขอให้พ้นจากวัฏทุกโดยการไม่เนื่องช้าในเทิดสาธุสาธุสาธุ